มีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลําดับจนกระทังง่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นพื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงควาสมาธิตามขั้นแห่งสมาธิตาม ข, ขั้นของปัญญาตระเลยจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านถึงจะสรุป ลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจในอบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลากจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีกลับมา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 เล่าถวายท่านแลครับถ้าท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านะั่นไม่ได้มาเล่าในะที่ชุ ม, มชนุมทนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้แตตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้นในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารณณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ ไปรับการลบรมศึกษาจากท่านในขณะนั้นยังรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวส่วนข้างพุทธการเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระออวาสเองโอวะโอวาเดอพิคือพิคุโอวาดังที่พูดมาแล้วนั้นมันก็ลืม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 มีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนกันจดหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองในเรื่องจีเรีกก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาทำก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยอย่างไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสําหรับผู้ฟังโดยลๆๆๆๆําดับลำดาเมื่อฟังแล้วก็ออกไปก็ไปปฏิบัติตามมาฐานที่ทต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบําเพ็ญของตนตามจรินมิสัยเมื่อเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็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 มีผิดแปลกกันอยู่มากครั้งนั้นมีหลักเจนอยู่สําคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรักผลมิพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงไม่มีค่าเคลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย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 ไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในากิดของพระสาวกอรหันทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการจะได้ออกจะเป็นประเภทในก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออเผยแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นยมุตติทน แสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจริงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละละถอนยังไม่ได้ก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสงสัยหรือความตั้งมัน่นภารกิจใจให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำหนักลำหนักนี่ถึงตักตวงอามัจจุบนิพพานกันเรื่อยๆเลยนั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงอามัจจุบนนิพพาน เป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพเ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทัศน์กำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรา this เป็นสมัยลูกคำรูปนั้นคํานี้คําไปคํามาก็ได้แต่เครื่องสซกโปรกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัดเป็นทำพอเป็นเครื่องต่อถอนกิเลสไม่นี่มีแต่เครื่องพอกพูนกิเลสจะเดียนมากน้อยกว่าตามจะอะไรก็ต า, ามมีแต่เรื่องพอกพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้าม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 ทำรร ม, มากก็ศักแต่ว่าทำจะมีอยู่ในตู้ในหีบคัมภพีย์ไบรลันท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ไปปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเกลสก็อยู่กับหวัวใจของคนไม่อยู่กับตำหรับตําลาอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสปัญหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆแนละตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคล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 เวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายของมันเปลี่ยนนี้รูปลักษณะของมันเปลี่ยนนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งน้ำทีเดียวถามว่ามันเป็นรูปเป็นล่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรนนี่คือคือไฟทั้งกองทีเดียวอ่แล้วรูปร่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเปลยนอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวเปลี่ยนนี้เขี้ยวเปลี่ยนนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วเนี่หามาทิ้งไว้นี่อ้าวประกาศโลกให้มาดู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 เมื่อแยกออกมาเป็นตัวเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทำคนให้รบราค่าฟันกันทำความพินาศขี้หมายใจโลกก็คือตัวภัยสามกองพนี้แหละวะใครก็ต้องตัวกันทั้งนั้นถ้ากเราแยกตัวของมาที่เล็เออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อพีเล็เป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็ขี้เล็ก็อยู่ด้วยกันได้สนิท สบายโลกวันนั่งขำจะอาให้ตายกับความโลภก็ได้พอใจจะโลกโกรธก็ตารําแสดงกับโกรธได้ทั้งนั้นอะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสเองเรายึดว่าเป็นเราเสเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแจกตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นขึ้นหมดทีเรศแล้วมันเป็นภัยแ้วกันก็ต่างแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่เกิดก็เกิดจะวางไง ทุ ก, ก็ทุกเสียใจก็เสียใจเพราหอำนาจของกิเลสพายเสียกกิเลสเป็นเราเราเสียใจว่าก็พอเสียใจอืมถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลาก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราอืมร้องไห้ก็พอใจร้องไห้อืทอดถือว่าเราเป็นเราอืถ้าว่าได้แยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีท่าต่อสู้กันอื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 มันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละอแม่มันไปพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นเสือข้ามันไปเรื่อยเรื่อยหนึ่เราเห็นโทัทั้งมันอย่างนี่แยกกันออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องที่เหลือกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาวใบคลิ้กแทงแตงแปลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเหลาที่เหลือก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีธนวนามาตะโคหมายถึงว่าไม่ มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบว่าต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางทไหนวนเยียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเยียนมาตายไปตายมาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏฏ์สงสารกับหัวใจของเรามันก็วนไปยเยียนมางั้นมาเรื่อยก็มาตื่นแต่ของเก่าล่ะเกิดเท่าไรก็ว่าตนม่ได้เกิดตายเรื่อยก็ยังไม่ยังไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลําบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวไัย เหมือนเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะ ก, กันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าซากตามันอย่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัว น, นี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภทยตัวนั้นก็เป็นไผ่อันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแกไม่ได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเข้าไปเหมือนอย่างเราถอดเสี้ยงถอด น, น้ำออกจากเท่าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือน้ำ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 เราสู้เพื่อใชยชนะยกเราเพื่ขึ้นจากหล่นลึกจะยากลํำบากยกจนขึ้นเราไม่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยกเท้าเราเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเร า, าผู้ถอนที่เดืเดจจอด เ, เจ็ดแทงจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั่ ง, งค่าคืนนั่รุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราต้อง พ, พยายามถอดถอนออกโดยลํำดับลำดับสติปัญญาผิดขึ้น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 แล้วกินวันยังค่าไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผลิตกินได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้ายแล้วมันหมดบางทีบุดจินบุูดมือแต่เสียหายกระจายไปก็กมีถ้าเราผิตขึ้นมาได้เนี่ยไม่เป็นไรอ่าอันนี้หมดเอาผลิตขึ้นมาอันนี้แตกไปผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเยมืเม่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลศพาให้คนจนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพุทธ แทงทะลุปูปลงไปได้เพราะนาาของปัญญาท่านจึงชมนัติปัญญาสมาอาภาานานทาสิทธิ์ท่านก็ว่าแสงสว่างจางเสมอโดยปัญญาไม่หีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอ น, นาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยาบละเอียดของขี่เล็ดความมืดดำอยู่ที่ไหนคือขีเล็ดอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุปูปลงขีเดหาที่หลบซ่อนไม่ได้ ถูกค่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่คน้นคุยเขี่ยหามาฆ้ามตลอดแต่ที่หลก็มอบลงไปเอาค่าลงไปค้น ข, ข, ข, ขึ้นมาค่าเรื่อยอยีกฆ่าโดยตาปัตธรรมเผาโดยตปัตธรรมตาปัธรรมคือความเพียนเครื่องแผดเผายิเล่เอาให้มันคิดหาโดยโดยลํำดับลํำดับที่เหลือมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอนีมันจะเอาลูกท่าวเรากลัมาที่ไหนเมื่อถูกฆ้าวันหนึ่งมันหลายหลายตัวหลายๆ ชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจแต่ก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสยงออมาอย่างน่าอศัศจรรย์นี่อำ น, นาจแห่งธรรมแสดงเป็นที่แล้วอํนนานาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกพบทุกข่าไปรับความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพรากิเลสเท่านั้นก า, นทนารทําระกิเลสแม้จะหนัก หรือลำบากเป็นไงกงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึงเราจะต้องทำเพื่อยกตนทังเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้าหนักมากยิ่งกว่าความลําบากในการถอดถอนยิ่งเลยซะอีกเนี<ม>่ยเราก็ต้องเพยอย่างผักขันพิจารณาให้ดีแ ย, แยกแยกให้ละเอียดต่ออจะขีดครั้งกีดหนึ่งขีดตละดดทบทวนก็ตามแยกขมันเห็นชัดเจนเอาจนชานิชำนานเอาชานิชานานแล้วอย่างนี้เอาจกนกระทั่งรู้จกนกระทั่งปล่อยวาง เรารู้จริงเห็นจริงแล้วมันล่อยเองว่างเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราก็เราจับอัศรพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอสศรพิษทั้นมันสลักทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นพายแล้วมันก็สลัดปล่อยเองจิตใจปัญญาเผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบนั้นมันก็ปล่อยเองปล่อยเองปล่อยโดยลำดับยันหลักนี่การปล่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหวัวใจอยู่ ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้แก่ี่เลสมากหรือน้อยก็เท่าตัวของเราเนี่ถอนถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเราเนี่มันทําว่าบรมมาสุขที่มันเป็นบรมมาได้คราบคือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วไม่มีคุณค่าเพรอเอาสิ่งทีม่มีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจไม่ออกหมด ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเพื่องเราเนี่สิ่งที่มีคุณค่าเขาแสดงแสดงตัวอย่างเป็นที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันอรหันท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่ไม่พ้นที่ไหนเพราะพวกนี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผูกคาผู้ล้มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่อด่วงออกหมาแล้วก็ดี่ขึ้นที่นี่เออผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่เนี่ยพ้นทุกพ้นที่าย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 ขดัดปัญญาเราให้ขัดจิตใจขงเราให้มีความสวาา่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยอํานาจของปัญญาที่แทงทะลุปูผงตามความจริทงทันน้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะแล้วอะไรจะคิดหายที่นี่เห็นจริงต่างอันต่างสิ่งด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคิดหายเอาธาตุลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นทั้งมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรมชาติทังมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมัน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 ผู้ที่ยังครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องรับผิดชอบในธาตในขันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการบินการเดินการนั่งการนอนประคับรประคองกันด้วยอียบุตรต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เป็นเม็ดเต็มหน่อยมันสลนัดออกไปทั้งหมดติตกับบริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกา ย, กายลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ ตางานต่างจริงแค่จิตก็ผ่านไปเลยหมดตั้งหมดอนนาลโยอย่างเต็มภูมิมีเรียกว่าอะนุปาทิเสสามิพานสนับสมมตุติไว้ให้เต็มภูมิของส ม, มตุติวิ ม, มุติไปเต็มภูมิของวิ ม, มุติไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่คลองทา่าถ้ำอยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรม ผลที่จะถึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลําบากลําบนมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าขึ้นมาสู่ระดับระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดอืเพราะฉะนั้นความลําบากลาบนไรจรึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิจฉาลอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนลํลำบากก็ลําบากเพื่อหนุนจะเป็นไรไปเอาให้หนักมือ ที่เกียรตตายเกิดกุชลาธรรมมาปีนี้มาหยุดไม่ยัง่งเอาสร้างกุชลาภายในจิตใจให้พอกุศลาธรรมมาแปลว่าความฉลาดหาอุมาความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพออตายแล้วขาดจะ ก, กุชลาไม่กุชลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยังโ ง, ง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยก็กุศลาธรรมมาอะไรกับเท่าเดิมมัน ถ้าเราสร้างกุศลธรรมมาอกุศลธรรมาอันไหนไม่ดีอากุศลธรรมาความโง่กําจัดออกไปความโง่คือกิเลสฮะกุศลธรรมาคือความฉลาดปัญญาขาดกันลงไปถูกันจนมันของสายหรืบริสุทธิ์เป็นที่นั่นแต่ว่าอภิญากตาธรรมาก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมาจาธรรมคําว่าอภิญากตาธรรมาเป็นสิงกลางๆธรรมดาไม่ป็นวุ่ิวับ ในบรรดาสมุดเท่าไหร่ก็ได้นจะแยกไปเป็นอภยากตาจิตเชื้อจิตกิจพ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของตาปะปะัญญาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วเป็นอภิยะกตาจิตก็ถูกถึงคันนี้แล้วไม่เฉียงไทยไทยจะให้ชื่อไห่นามก็ได้ไม่ให้ชื่อไห่นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ส่งไว้ตัวผูู้้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จําเป็นเราจะต้องเป็น ห, หิ้วของนักับชื่อกับนามมันเออเนี่ยถึงว่าหมดปัญหาทุกเพราะความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพินเพราะสิ่งที่ได้มาทําให้เพลิดเพลินให้รุ่นเริงหมาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลําบากในการบาเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบา อ, อกเบาใจ ถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็นลำดับลาดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงคำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทจจะอืมความฟุ้งคือเพลินไม่ใช่หนหั่นะจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบวิสันนะคือมันเพลินต่อการพินิจพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญา ลืมหลับลืมนอนลืมเข้าถี่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เป็นความเพลินท่านเดียว่าอุด ธ, ธาาัศจะพอพ้อนจากนั้นแล้วมันก็หมดปัญหามันหมดหมดเรื่องแล้วก็สบายอะละยุติเพียงตอนนี้